มัคกหนึ่งปัญญติวาระอุเทศหนึ่งปทาโสธนวาระอนุโลมหนึ่งสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหม สภาวะที่เป็นอัพยกฤตเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตใช่ไหมสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเป็นสภาวะที่เป็นอัพยกฤิตใช่ไหมปัจจนีกะสองสภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอันอพยากฤ parity, ิตใช่ไหม 2. องปทโธธนโมลจักรวาระอนุโลมสสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมทีม่เป็นกุศลใช่ไหม สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤิใช่ไหมส่สภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหม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 สภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพญากฤิใช่ไหม 8. สภาวะที่ไม่เป็นอัพญากฤิเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัพญากฤิใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุศลใช่ไหมสภาวะที่ไม่เป็นอัพญากฤิ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 ติวารานิเทศหนึ่งปัทถโสทนะวาระอนุโลมสิบเจ็ดอนุสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสภาวะที่เป็นอัพยากฤิตใช่ไหมวิใช่ปจเนกะสิอนุสภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอภิยากฤิตใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอพยากฤิเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยากฤิใช่ไหมวิใช่สองปทโสธนะมูลจักกะวาระอนุโลมสิเกอนุสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิ สภาวธรรมที่เป็นอกูสน์เป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศนก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกูสน์แต่เป็นสภาวธรรมอนุสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิใช่ไหมวิสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิเป็นสภาวธรรมก็ใช่ เป็นสภาวธรรมที่เป็นอ like um ัพยกฤิก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวที่ไม่เป็นอพยกฤิแต่เป็นสภาวธรรมยี่สิบอนุสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ใช่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 สุทธธรรมวาระอนุโลมยี่สิบห้าอนุสภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นกุศลใช่ไหมวิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมก็ใช่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลแต่เป็นสภาวะธรรมอนุ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 สภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอภยากฤตใช่ไหมวิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยากฤตแต่เป็นสภาวธรรมปัจจน尼กะยี่สิหอนุสภาวะที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิเว้นสภาวะที่เป็นกุศลแล้ว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 เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิเว้นสภาวะที่เป็นอภยกฤตแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยกฤตแต่เป็นสภาวะธรรมเว้นสภาวะที่เป็นอภยกฤตและสภาวะธรรมแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยกรตก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอพยกฤตใช่ไหมวิใช่สี่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 สภาวะที่เป็นกุศลเป็นสภาวะธรรมใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอภยากฤิใช่ไหมวิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นสภาวะธรรมก็ใช่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นอัภยากฤิก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยากฤิแต่เป็นสภาวะธรรมยี่สิบปดอนุสภาวะที่เป็นอกุศลเป็นสภาวะธรรมใช่ไหม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 สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยากฤิแต่เป็นสภาวธรรมยี่สิบเก้าอนุสภาวะที่เป็นอภยากฤิเป็นสภาวธรรมใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นสภาวธรรมก็ใช่ เป็นสภสาวธรรมาที่ <reverse> เป็นก <bracelet> <itations> ุศลก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลแต่เป็นสภาวธรรมอนุสภาวะที่เป็นอภิยากฤตเป็นสภาวธรรมใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมทั้งหลายเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นสภาวธรรมก็ใช่เป็นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศล แต่เป็นสภาวธรรมปัจจานิกะสามสิทอนุสภาวที่ไม่เป็นกุศลเป็นสภาวที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิเว้นสภาวะที่เป็นกุศลแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลแต่เป็นสภาวะธรรมเว้นสภาวะที่เป็นกุศลและสภาวธรรมแล้วสภาวธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลก็ใช่เป็นสภาวที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปติ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 สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกูสนก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอพยากฤิใช่ไหมวิใช่สาสสองอนุสภาวะที่ไม่เป็นอพยากฤิเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิเว้นสภาวะที่เป็นอพยากฤิแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยากฤตแต่เป็นสภาวะธรรม เว้นสภาวะที่เป็นอัพยกฤิและสภาวะธรรมแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยกฤิก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะที่ไม่เป็นอัพยกฤิเป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมวิเว้นสภาวะที่เป็นอัพยกฤิแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอัพยกฤิ แต่เป็นสภาวธรรมวเว้นสภาวะที่เป็นอัพยกฤิและสภาวธรรมแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอภยกริยก็ใช่เป็นสภาวะที่ไม่เป็นธรรมก็ใช่ปฏิสภาวะที่ไม่เป็นธรรมเป็นสภาวะที่ไม่เป็นอกุศล <c oughs> ใช่ไหมวิใช่ปัญญติวารนิเทศจบ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 วิไม่ใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในรูปภูมิสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวการภูมิ สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตก็กําลังเกิดปาิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตแจกกุศลในปวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวกครภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภายากฤิกของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิดสามอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภายากฤิกของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ ในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในอรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคขณะแห่งสภาวธ right. รรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตก็กำลังเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตของบุคคลใดกำลังเกิด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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตรกำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิด ในจัตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิต ก, กาลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิด 36. อนุสภาวะธรรมทีท่เป็นอกุศลในภูมิใดกําลังเกิดสภาวะธรรมทีทเมเมทท่เป็นอัพยกฤิกในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิในภูมิใดกําลังเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศนในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิ่งกำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิ่งกำลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอคุศนก็กำลังเกิดอนุโลมปุคโลกาฏสาสิบเจอนุ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 และสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤรก็กําลังเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤรของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก Honestly, ็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปุจจักกุศลในปวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กําลังเกิด ใ น, Campus, ups, ใน air, air, cool อุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในปัญจโวกคารภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดสาสิบอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในอรูปภูมิ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 ส ภ, hey. ส, สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุจากอกุศลในประวัติการสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัคณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในปัญจโวโคระภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด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 วิในอุปทาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค์ขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในอุปทาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตยจากอกุศลและกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในปวติการในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ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 40. อนุ ส, สภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิของบุคคลนั้นก็ bubbling, ไ, <ห>มไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งคิตที่วิปยุจากอกุสลในปวัติการสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอพยากลิ่นไม่ใช่เมื่อกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ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 ในอุปาทัศขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่เมื่อกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังค์ขณะแห่งคิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลในรูปภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่กำลังเกิด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 และสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศนไม่ใช่ไม่กำลังเกิด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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในอรูปภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในปวติการในอุปาทภนะขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในอรู ป, ปรภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤ็ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กําลังเกิด 44. อนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด